ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธว่าด้วยธรรมะสมาทานสี่อย่างจุลธรรมะสมาทานสูตรมัจจิมนิกายเล่มที่สิบสองเริ่มต้นข้อที่ห้าร้อยสิบสี่มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีในเกตรพระนอรสาวัถีในที่นั้นได้ตรัสกับภิกษุตั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุตั้งหลายธรรมะสมาทานนี้มีสี่อย่างสี่อย่างอย่างไรเล่า คือธรรมะสมาท า, านที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกเป็นวิบากต่อไปก็มีธรรมะสมาท า, านที่มีทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากต่อไปก็มีธรรมะสมาทานที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มี และธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มีปีสุตนายก็ธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปนั้นเป็นอย่างไรคือมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาตาอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกา ร, รตั้งหลายมิได้มีสมณะหรือปรามพวกนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มในกา ร, รตั้งหลายย่อมบำเรอกับพวกนางปริพาชิกาที่กล่าวมวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าฉนัยท่านสมณะหรือปรามพวกอื่นนั้น เห็นภัยในอนาคตในการทั้งหลายจึงกล่าวการละการทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรู้การทั้งหลายอันที่จริงการสัมผัสทีท่แขนมีขนอ่อนนุ่มแห่งนางปริภาชิก า, านี้นำให้เกิดความสุขดัง น, นี้แล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มดำในการทั้งหลาย สมณะหรือพรามเหล่านั้นครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในการทั้งหลายอย่างที่ว่านั้นแล้วเบืองหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงอบายทุขติมินิบาตและนรกสวยทุกเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและ ก็รู้กล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าท่านสมณพราหม์พวกนั้นเห็นภัยในอนาคตแห่งกรรมทั้งหลายนี่แหละจึงกล่าวการละกรมทั้งหลายมันหยัดความกำหนดรู้กรรมทั้งหลายพวกเรานี้ย่อมเสเวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนเพราะกรามเป็นปัจจัย พิสุตสงหลายเปรียบเหมือนลูกสุกแห่งเครือเถามาลุว่าคือเถาย่านชายหรือหมามุ่ยพึงแตกในเดือนสุดท้ายแห่งฤ ด, ดูร้อนพืชแห่งเครือเถามาลุว่าหรือเถาย่านชายหรือหมามุ่ยนั้นตกลงที่โคนต้นสาระต้นใดต้นหนึ่ง เทวดาผู้ที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นเกิดความหวาดกลัวหวาดเสียวถึงความสะดุ้งขึ้นพวกอารามวนะเทวดารุกเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นปา่าหญ้าและต้นไม้เป็นเจ้าไพรผู้เป็นมิตรสหายหญ้าตีสายโลหิตแห่งเทวดา ผู้ที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นต่างก็พากันมาปลอบประมอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยท่านอย่ากลัวเลยพืชแห่งเครือเถามาลูบาบางทีนกยูงก็พึงกลืนกินเสียเนื้อทรายพึ่งเคี้ยวกินเสียไฟป่าพึ่งไม่เสียหรือคนพวกทำงานในป่า พึงถอนทิ้งเสียหรือปลวกพึงกัดเสียหรือมันอาจจะไม่โตขึ้นเป็นพืชต่อไปดังนี้แต่ว่าพืชแห่งเครือเทามาลุวาหรือเทาวันย่านทายนั้นนกยุงก็ไม่กลื่นกินเนื้อสายก็ไม่เกี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ได้ไหม้ทำลายหรือพวกทำการงานในป่า ก็ไม่ได้ตอนขึ้นปลวกก็ไม่กัดยังคงมีเชื้องอกเป็นเมล็ดที่ดีอยู่เมื่อเมล็ดนั้นถูกเมฆฝนตกรดเข้าแล้วก็งอกขึ้นโดยดีเป็นเกลือเถามาลุวาเล็กๆอย่างอ่อนมีย่านห้อย ย, อย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาระนั้นเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาระนั้น จึงกล่าวกับพวกเดวดาหเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าฉไน้นพวกท่านจึงเห็นภัยในอนาคตเพราะพืชแห่งเกลือเถามาลุบาพากันมาปลอบประโลมฉันอย่างนี้ว่าอย่ากลัวเลยพืชเกลือเถามาลุบานี้บางทีนกยูงพึ่งกินไปหรือพวกทำงานในปา่า ตอนติ้งไปหรือไม่ก็ไม่เป็นพืชต่อไปก็แต่ว่าเกลือเถามาลุวานี้เล็กและอ่อนมีย่านห้อมล้อมอยู่มีสัมผัสนำความสุขมาให้ดังนี้ก็แต่ว่าเกลือเถามาลุวานั้นเข้าพันต้นสาละนั้นครั้นเข้าพันแล้วทำให้เป็นดังร่มอยู่ข้างบน ให้แตกเถาอยู่ข้างล่างทำลายลำต้นใหญ่ๆของต้นสาลานั้นเสียเทวดาที่อาศัยอยู่ที่ต้นสาลานั้นก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าพวกท่านผู้เป็นเทวดาเหล่าอื่นผู้เป็นมิสหายเห็นภัยในอนาคตเพราะพืชแห่งเกลือเถามาลุวานี้ จึงพากันมาปลอบประโลมเราอย่างนั้นก็เราแลเสวยทุกขเวทนาเจ็บแสบเผ็ดร้อนเพราะพืชแห่งเกลือเทามาลุวานีเป็นเหตุหนังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นที่สมณะหรือปามพวกหนึ่งมีวาท้าอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามตั้งหลายไม่ได้มี จึงถึงความเป็นผู้ดื่มดำในการทั้งหลายบํมเรอกกับพวกนางปริพาชิกาที่กล้าวมวยผมแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าฉะนั้ท่านสมานณะหรือปรามเหล่าอื่นจึงเห็นภัยในอนาคตของการทั้งหลายกล่าวการละการทั้งหลายบัญญัติความรู้ในการทั้งหลายแต่อันที่จริง การสัมผัสที่แขนมีขนอันอ่อนนุ่มแห่งนางปริภาชิกานี้นำให้เกิดสุขดังนี้สมณรพราหมณ์เหล่านั้นจึงถึงความเป็นผู้ดื่มดำในการทั้งหลายรันถึงความเป็นผู้ดื่มดำในการทั้งหลายแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับ ก็เข้าถึงอบายทุกคติมินิบาตและนรกย่อมสวยทุกขเวทนาหันเจ็บแสบเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดแล้วนั้นจึงได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านสมณนะหรือพรามเหล่านั้นพึงเห็นภายในอนาคตเหล่านี้เป็นแน่จึงกล่าวการละกามทั้งหลายพวกเหล่านี้ ย่อมสุบย่ยทุกเวทนากล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเพราะการเป็นบจจใจหนังนี้ก้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันพิสุตตลายนี่แหละธรรมสมาทานที่เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปพิสุตตลายก็ธรรมสมาทานที่มีทุก ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปเป็นอย่างไรคือพวกปริปาชกบางคนในโลกนี้ได้บำเพ็ญตะปัดศีวัดคือข้อวัดเพื่อมีตะบะคือได้ประพฤติปเปลือยกายมีมารยาทอันปล่อยทิ้งเสียแล้วเป็นผู้ประพฤติเช็ดอุจระของตนด้วยมือ ถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านผู้เจริญจงมาไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญจงหยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานำมาจำเพาะไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำอุทิศเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาร้องนิมนต์ ไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารกล่อมธรณีประตูไม่รับอาหารกล่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารกล่อมศากไม่รับอาห า, ารของชนสองคนผู้บริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีคันไม่รับอาหารของหญิงที่กําลังให้บุตรดื่มนมอยู่ ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่างบุรุษไม่รับอาหารในอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทาไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปยืนเฝ้าอยู่ไม่รับอาหารในที่ที่เห็นมแมลงวันบินไปเป็นหมู่หมู่ไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราไม่รับเมไร ไม่ดื่มน้ำอันดองด้วยแกลบบริภาชกนั้นรับเรือนเดียวชั้นคำเดียวบ้างรับสองเรือนชั้นสองคำบ้างจนถึงรับเจ็ดเรือนชั้นเจ็ดคำบ้างได้เลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆภาชนะเดียวบ้างจนถึงเจ็ดภาชนะบ้าง ปริภาโชคนั้นฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้างเก็บไว้สองวันบ้างจนถึงฉันอาหารที่เก็บไว้เจ็ดวันบ้างได้ประกอบความเพียรในพัทและโภชนะมีปริยายอย่างนี้จนกระทั่งถึงกึ่งแห่งเดือนด้วยอาการอย่างนี้ปริภาโชคนั้นมีผัก เป็นอาหารบางมีสารแห่งหญ้ากับแก่เป็นอาหารบางมีลูกเดือยมีเปลือกไม้มีสาหร่ายมีรำข้าวมีข้าวตังมีข้าวสารหักมีหญ้ามีโคไมคือขี้วัวมีผลไม้หรือรากไม้ในป่าหรือบริโภคผลไม้ที่หล่นเอง ยังชีวิตให้เป็นไปบ้างปริพาชกพวกนั้นนุ่งห่มผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าเจื่อกันบ้างนุ่งห่มผ้าที่เขาติ่งไว้รับซากศพ บ, บ้างนุ่งห่มผ้าคลุกฝุ่นบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งหม่มหนังอาชินะบ้างนุ่งหม่มหนังอาชินะทั้งเล็บบ้าง นุ่งห่มแผ่นหญ้าคากรองบ้างนุ่งห่มแผ่นปอกรองบ้างนุ่งห่มแผ่นกระดานกรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลผมขนบางนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนหางสัตว์บ้างนุ่งห่มปีกนกเขาวบ้างเขาตัดผมและหนวดประกอบตามซึ่งความเพียนในการตัดผมและหนวดเป็นผู้ยืนกระยง นั่มเสียซึ่งการนั่งเป็นผู้เดินกระยงประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระยงบ้างประกอบการยืนการเดินบนน้ำสำเร็จการนอนบนที่นอนที่ทํด้นยหนามประกอบตามซึ่งความเพียรในการลงสู่น้ำในเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามบ้างก็หล่นั้นตามประกอบซึ่งความเพียร ในการทำกายให้เหือดแห้งด้วยวิธีการต่างๆเช่นนี้ด้วยอาการอย่างนี้แต่เบื้องหน้าแห่งการตายเพราะกายแตกดับเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตและนรกพิกสุตลายธรรมสมาต น, นี้แหละเรากล่าวว่ามีทุกในปัจจุบันและมีทุก ในวิบากต่อไปส่วนธรรมะสมาธานที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคากล้าโดยปกติย่อมเวยทุกขโวมนัดทันเกิดแต่ราคาเหน่งนอง เป็นผู้มีโทสะกล้าโดยปกติย่อมเสวยทุกขโธมนัตอันเกิดแต่โทสะเนืองเนืองหรือเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติย่อมเสวยทุกโทมนัตอันเกิดแต่โมหะเนืองเนืองแต่บุคคลนั้นทุกทุกบ้างโธมนัตบ้างเสียแทงอยู่เป็นผู้มีหน้านองด้วยน้ําตา ร้องไห้อยู่แต่ก็ประพฤติปรมาจัลย์บริสุทธิ์บริบูรณ์เบืองหน้าแต่การตายเพราะกายแตกดับก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ธรรมะสมาทานนี่แหละเรากล่าวว่ามีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปพิุารณาไหลก็ธรรมะสมาทาน ที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติย่อมไม่ได้เสวยทุกเบทนาอันเกิดแต่ราคะหนึ่งเนืองเป็นผู้ไม่มีโทสะหรือโมหะกล้าโดยปกติ ยอมไม่สะเบยทุกทวมนัดอันเกิดแต่โทสะหรือโมหะเนืองเนื่อ ง, งบุคคลนั้นครันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่และประละวิตกวิจารเชได้จึงมาลชานที่สอง หรือเพราะความจางคลายไปแห่งปีติจึงบรรลุฌานที่สามและเพราะความที่ระ ง, งับสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการกรจึงบรรลุถึงฌานที่สี่แล้วเขานั้นเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ภิกษุตระหน t ายธรรมะสมาทานนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปเหล่านี้แหละคือธรรมะสมาทานสี่อย่างเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีในภาะสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหล จุลธรรมะสมาทานจบเนื้อหาบางตอนจากมหาธรรมะสมาทานสูตรพิสุตตะหลายนบนาธรรมะสมาทานเหล่านั้นบุคคลรู้จักธรรมะสมาทานที่มีทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นวิบากต่อไปและไปแล้วในวิ ช, ชา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าธรรมะสมาทานนี้แลมีทุกในปัจจุบันมีทุกเป็นวิบากต่อไปเมื่อเขารู้จักธรรมะสมาทานนั้นและไปแล้วในวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพธรรมะสมาทานนั้นละเว้นธรรมะสมาทานนั้นเมื่อ ไม่เสพธรรมสมาทานในข้อแรกนั้นละเว้นแล้วทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใลรไม่น่าชอบใจย่อมเสื่อมไปธรรมตินาปรารถนาน่าใกลรน่าชอบใจเจริญยิ่งร้ะนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นเป็นเพราะบุคคล น, นั้นรู้อย่างถูกต้องแล้วส่วนธรรมสมาทาน ที่บุคคลรู้จักว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปและไปแล้วในวิชาบุคคลนั้นย่อมรู้ชาติตามความเป็นจริงว่าธรรมะสมาทานนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปเมื่อรู้จักธรรมะสมาทานนี้แล้วไปแล้วในวิชา รู้แท้ตามความเป็นจริงจึงไม่เสพธรรมะสมาทานนั้นละเวน้นธรรมะสมาทานนั้นเมื่อไม่เสพธรรมะสมาทานนั้นละเว้นอยู่ทมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจย่อมเจริญยิ่ง เราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อย่างถูกต้องแล้วและในบรรดาธรรมะสมาทานเหล่านั้นบุคคลรู้จักธรรมะสมาทานที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปและบุคคลนั้นไปแล้วในวิชาย่อมรู้ชัดแจ้งตามความเป็นจริงว่าธรรมะสมาทานนี้ มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปเมื่อเขารู้จักธรรมะสมาตานั้นแล้วมีจิตไปแล้วในวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพธรรมะสมาตานั้นไม่ละเว้นซึ่งธรรมนั้นเมื่อเสพธรรมะสมาตานั้นอยู่ไม่ละเว้นธรรมะสมาตานี้ ทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งก้นนั้นไร้ไร้ก้นนั้นเป็ น, ปนพระบุคคลนั้นรู้อย่างถูกต้องแล้วพิ่สุตไลก็เมื่อบุคคลรู้จักธรรมะสมาทาน ที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปและมีจิตไปแล้วในวิชาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าธรรมสมาธานี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปเมื่อรู้จากธรรมสมาธานั้นและไปแล้วในวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพ ธรรมะสมาทานั้นไม่ละเว้นธรรมะสมาทานั้นเมื่อเสพธรรมะสมาทานั้นอยู่ไม่ละเว้นธรรมะสมาทานั้นทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจย่อมเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าชอบใจย่อมเจริญยิ่งก็ออนั้นพระเหตุไร เพราะบคุคคลนั้นรู้อย่างถูกต้องแล้วพิสุทธิ์ตลอดไปเหมือนน้ำเต้าขมอันระคนด้วยยาพิษบรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกมาถึงในที่นั้นเก้าประชุมชนในที่นั้นก็บอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้ระคนด้วยยาพิษ ถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้าขมนั้นจะไม่อร่อยแก่ท่านผู้ดื่มอยู่ทั้งด้วยสีกลิ่นและรสของมันและครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายบรนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมนั้นแล้วดื่มไม่ได้หวาง ก็ไม่อร่อยเพราะสีบ้างไม่อร่อยเพราะกลิ่นบ้างเพราะรสบ้างครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายแม้แันใดเรากล่าวธรรมะสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปว่ามีอุปมาฉะนั้นหรือเปรียบเหมือน ภาชนะน้ำหวานอันน่าดื่มถึงพรามด้วยสีกลิ่นและรสแต่ละคนด้วยหยาพิดบรุษผู้รักชีวิตไม่อยากายรักสุขเกลียดทุกมาถึงในที่นั้นเก่าประชุมชนในที่นั้นก็บอกกับเก่าว่าท่านผู้เจริญภาชนะน้ำหวานอันน่าดื่ม ถึงพรามด้วยสีกลิ่นและรสแต่ละคนด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดภาชนะน้ําหวานนั้นจะชอบใจแก่ท่านผู้ดื่มอยู่ทั้งด้วยสีชอบใจทั้งด้วยกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจนตายดังนี้ บุคคลนั้นไม่พิจรารณาภาชนะน้ำหวานนั้นดื่มไม่ได้วางก็ชอบใจทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายแม้ฉันใดเรากล่าวธรรมสมาตานี้ที่มีสุขในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากต่อไป ว่ามีอุปมาฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนยาดองน้ามูดเนา่าอันละคนด้วยยาต่างๆบรุษที่เป็นโรคผอมเหลืองมาถึงเข้าแล้วประชุมชนในที่นั้นจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญน้ามูดคือน้าปัสสาวะเนา่าอันละคนด้วยยาต่างๆนี้ ถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำมูดเน่านี้จะไม่เป็นที่ชอบใจแก่ท่านผู้ดื่มทั้งด้วยสีทั้งกลิ่นและรสของมันก็แต่ว่าท่านกลั้นดื่มเข้าไปแล้วจะมีสุขดังนี้บุุษนั้นพิจารณาแล้วจึงดื่มไม่ได้วางก็ไม่ชอบใจทั้งสีทั้งกลิ่น ทั้งรถกลันดื่มแล้วก็มีสุขแม้ฉันใดเรากล่าวธรรมสมาทานที่มีทุกในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปว่ามีอุปมาฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนนมสม้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยที่เขาระคนเข้าด้วยกัน บรุษผู้เป็นโรคโลงโลหิตมาถึงเข้าแล้วประชุมชนในที่นั้นบอกกับเขาว่าท่านผู้เริญนมส้มน้ำพึ่งเนยใสยและน้ำอ้อยนี้เขาผสมรวมกันเข้าถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดยานั้นจะเป็นที่ชอบใจแก่ท่านผู้ดื่มทั้งสี ชอบใจทั้งด้วยกลิ่นและรสและครั้นท่านดื่มเข้าแล้วก็จะมีสุขหนังนี้บุตรนั้นพิจารณายานั้นแล้วก็ดื่มไม่ได้วางก็ชอบใจทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสครั้นดื่มเข้าไปแล้วก็มีความสุขแม้ฉันไดพิสุทณาลายเรากล่าวธรรมสมาทาน ที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปว่ามีอุปมาฉะ น, นั้นก็ในฤดูศาสตร์สมัยเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนในอากาศอันโปร่งปราสากเมฆดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดอันมีอยู่ในอากาศทั้งสินย่อมสองสบาง แท่แจ้งไผ่โรดแม้ฉันใดภิกษุตลายธรรมะนี้ที่มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปกำจัดแล้วซึ่งวาทะของพวกสมณบรามเป็นนันมากเหล่าอื่นก็ย่อมสว่างรุ่งเรืองไผ่โรดเชนนั้นเหมือนกันมหาธรรมสมาทานสูตร ฟังทำกรรมพุทธะ